ราชินีหิมะกลัลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเพื่อนรักอยู่สองคนเค mm hmm. กับเกดาพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านกันพวกเขาชอบดอกไม้และพวกเขาก็ปลูกพุ่มกุหลาบเอาไว้ในสนามหญ้าที่พวกเขาเล่นด้วยกันคุณย่าของเคเคยเล่านิทานให้พวกเขาฟังทุกวันวันหนึ่งช่วงฤดูหนาวคุณย่าของเธอก็เล่าเรื่องราวของราชินีหิมะให้เธอฟังราชินีหิมะเป็นแม่มดใจร้าย เธอจะเปลี่ยนหัวใจของคนให้เป็นน้ำแข็งและทําให้พวกเขาเป็นทาตเราจะตั้งปกป้องตัวเองจากราชินีฮะฮะถ้าเธอมาที่นี่ผมจะเผาเธอเลยเอาให้กลายเป็นราชินีน้ำเลย <c oughs> ฉันได้ยินเสียงคนหัวเรอะใครล่ะมีคนยืนอยู่ที่หน้าตาอย่างนั้นเหรอเคเปิด <c oughs> หน้าตา่างแล้วมองออกไปว่ามีใครอยู่ไหม <c oughs> ข่างนอกหิมะตก และมีบางอย่างเข้าตาเคอ๋ออ่ตาฉันที่ตามมาก็คือมีอะไรบางอย่างทิ่มเข้าหัวใจเขาอ๋หัวใจฉันเกิดอะไรขึ้นเคเจ็บไหมไม่ใช่เรื่องของเธอถอยไปเลยเจอ้าตกใจมากเพราะเคไม่เคยทำแบบนี้กับเธอมาก่อนตั้งแต่วันนั้น เคเริ่มทำตัวแปลกๆเขาหลบหน้าเกิดา้าพูดจาเย่อหยิ่งเกิด้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาวันหนึ่งเคเอาลากเลื่อนออกไปเคมาเล่นกันเถอะไม่เอาฉันจะไปเล่นกับเด็กโตเคเราเป็นเพื่อนกันนะทำไมเธอไม่คุยกับฉันล่ะเค เคไม่สนใจเกิด้าเลยเขาเริ่มลากเลื่อนของเขาเกิด้าพยายามตามเขาไปแต่เขาไปเร็วมาก <K. S 1> จนหายไปจากสายตาในไม่นานเกิด้ากลับบ้านอย่างผิดหวังลากเลื่อนของเคก็เคลื่อนไหวเร็วมากอยู่ดีๆก็มีลากเลื่อนกับม้าขาวปรากฏต่อนหน้าเขาแล้วลากเคไปด้วยตอนแรกเคก็ชอบมันแต่ไม่นานเขาก็เริ่มโกรธ รถนั้นพาเข้าไปแดนหิมะเขาเห็นปราสาทน้ำแข็งตรงหน้ามีคนคนหนึ่งลงมาจากลากเลื่นเธอคือราชินีหิมะยินดีต้อนรับสูด่ดินแดนหิมะเคก่อนที่เคจะพูดอะไรราชินีก็เอามือมาไา่มนที่หัวเคเวทมนของเธอทำให้เคทำอะไรไม่ได้นอกจากทำตามคำสั่งแล้วราชินีก็พาเคเข้าไปที่ปราสาท เกิด้ารอเคแต่เขาไม่กลับมาเธอพยายามตามหาเขาแต่หาไม่เจอเมื่อน่าร้อนมาถึงเกิด้าตัดสินใจใตามหาเคและจะพาเขากลับบ้านเธอไปบอกคุณย่าของเธอว่าจะไปตามหาเคหลานกล้าหาเกิดา้าหลานจะต้องทำได้ขอบคุณคะ่ะเอากระจกนี่ไปด้วยมันจะช่วยหลานได้ หลังจากเที่ยวกระจกมาเกอร์ด้าก็เริ่มออกเดินทางตามหาเขเธอเดินไกลออกจากบ้านของเธอระหว่างทางเธอก็ถามนกถามสัตว์ถามต้นไม้ถามลมว่าพวกเขาเคยเห็นเขบ้างไหมแต่ไม่มีใครเห็นเขเลยเกอร์ด้าไม่ยอมแพ้เธอยังเดินต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่เดินมาไกลเธอก็ไปถึงแม่ น, น้ำที่นั่นไม่มีใครอาศัยอยู่ เกิดาคิดอยู่สักพักแล้วก็ถามแม่นม้ำแม่น้ำจา๋าบอกฉันหน่อยว่าเธอเห็นเพื่อนฉันชื่อเคไหมเขาหายตัวไปไม่มีคำตอบอยู่สักพักเธอผิดหวังและกำลังจะกลับออกไปตอนนั้นอยู่ดีๆก็มีนกนางนวลมานั่งที่ไหลเธอฉันช่วยเธอได้นะแต่เธอต้องให้อะไรกับฉันก่อนแล้วนกก็บินจากไป เกิด้าคิดว่ามันอาจเป็นข้อความจากแม่น้ำเธอเลยเอาสร้อยของเธอออกมาแล้วโยนลงแม่น้ำอยู่ดีๆเรือก็ลอยมาหาเธอมันเป็นเรือเปล่าเกิด้านั่งลงบนเรือและเรือก็ออกเดินทางเองมันพาเกิด้าไปที่อีกฝั่งของแม่น้ำเกิด้าออกจากเรือแล้วพบว่าตัวเองอยู่ที่สวนมันเป็นสวนที่สวยมากเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด เกด้าไม่เคยเห็นดอกไม้มากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเกด้าดีใจมากที่ได้เห็นดอกไม้แต่เกด้ายังรู้ว่าดอกไม้พวกนั้นไม่มีกลิ่นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเกด้าอินดีต้อนรับหนูน้อยขอบคุณค่ะเธอคือใครและทำไมถึงมาที่นี่ได้ฉันชื่อเกอด้าฉันหาเพื่อนชื่อเคค่ะเคยเห็นเขาบ้างไหม เคเหรอเอไม่ไม่เห็นเลยนะจ๊ะเอางั้นฉันไปดีกว่าค่ะขอโทษที่มารบกวนด้วยนะคะเดี๋ยวเด๋วเธอว่าอย่างไงนะฉันว่าฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านไปมากับฉันฉันจะบอกว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนั้นเลี้ยงชาเกิดด่าแล้วบอกเธอว่าเคหายไปได้ยังไง เธอสงสัยในตัวราชินีหิมะโอ้ราชินีหิมะนางเป็นแม่มดเพราะนางนั่นแหละทำให้ดอกไม้ของฉันหมดกลิ่นฮะฉันอยากจะสั่งสอนนางมากหลังจากนั้นผู้หญิงก็เริ่มหวีผมให้เกิดาเธอใช้หวีวิเศษที่จริงแล้วผู้หญิงคนนั้นอยากให้เกิดาอยู่ต่อเพราะเธอเหงาและเธอ ลบความทรงจำเกได้าด้วยวีวิเศษนั่นเกิด้าหลับไปตื่นขึ้นมาแล้วจำอะไรไม่ได้เลยฉันอยู่ไหนเธออยู่กับฉันในส่วนของฉันเว่นมนไม่ได้ผลกับเกิด้าที่บริสุทธิ์ทันทีที่เกิด้าเห็นดอกไม้บนหมวกผู้หญิงคนนั้นเธอก็จำได้ทันทีนึกถึงเคทันที ฉันจะต้องตามหาเคให้เร็วที่สุดเด อ, อฉันต้องไปละผู้หญิงคนนั้นพยายาม <He ard. S 2> หยุดไม่ให้เกิด้าไป <He ard. S 2> แต่เกิด้ายึดมั่น <He ard. S 2> เธอกลับขึ้นเรือและนั่งบนเรือเรือเริ่มออกเดินทาง <He ard. S 2> แต่เธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนออแม่น้จาจ๋าช่วยนำทางฉันด้วยนะไม่นานหลังจากนั้นก็มีอีกาบินมาหาเธอ <c oughs> และบอกให้เธอไปทางเหนือ เกิดาตามอีกาไปสักพักและเธอเดินทางผ่านทะเลน้ำแข็งไปถึงเรือใหญ่เธอเลยปีนขึ้นเรือใหญ่เรือนี้จะพาฉันไปที่ปราสาทน้ำแข็งของราชินีไหมมีมญิงโจรสลัดกระโดดออกมาให้เกิดาเห็นคือลงทางเหรอเธออยู่บนเรือโจรสลัดนะเกิด้าเล่าทุกอย่างเรื่องเคกับราชินีหิมะให้เธอฟังโจรสลัดรู้สึกแย่แทนเกิดา เอ่เคออกมาจากประสาทของราชินีไม่ได้หรอกลืมเขาซะฉันจะหาเขาให้ได้ฉันไม่ทิ้งเพื่อนให้ลำบากที่จริงฉันไม่มีเพื่อนฉันอยากจะให้เธอมาอยู่กับฉันแต่ฉันประทับใจในนิสัยของเธอนะฉันจะช่วยเธอตามหาเพื่อนเธอเองเช้าถัดมาเธอเอาเรนเดียออกมาให้เกิดานี่คือเรนเดียที่เก่งที่สุด และเร็วที่สุดในอาณาจักหิมะมันจะพาเธอไปปร า, าสาทของราชินีหิมะเออขอบคุณค่ะไปหานางแม่มดหิมะนั่นสอนให้มันเข็ดดาบซะ บ, บ้างเกิดได้ขี่เรนเดียรหลังจากเดินทางอยู่ไกลเธอก็เจอกับบ้านหิมะเธอเจอชายแก่ที่นั่นสแสดงว่าเธอเอากระจกหมาใช่ไหมเกิดได้แปลากใจมากที่ได้ยินแบบนี้ เธอไม่รู้ว่าชายคนนัน้นดูเรื่องกระจกได้ยังไงเธอเอากระจกออกมาให้ชายคนนั้นดูมันจะช่วยให้ฉันชนะราชินีไหมคะไม่มันคือกระจกวิเศษมันแสดงถึงความจริงไม่มีอะไรนอกจากความจริงเท่านั้นหลังจากนั้นชายแก่คนนั้นก็บอกเกิดด้าว่าราชินีหิมะคือใครตอนราชินีหิมะยังเด็ก เธอเป็นเด็กใจดีและราเริงไม่ว่าเธอไปที่ไหนดอกไม้จะเบ่งบานตอนเธอยิ้มตาจะเป็นประกายเหมือนแสงอาทิตย์เธอโดดเด่นและมีความสุขเธอชื่อลีลาแต่ทุกคนคิดว่าเธอเป็นแม่มดเด็กๆ เ, เลยไม่ได้อนุญาตให้เล่นกับลีลาหรือว่าพูดกับเธอเธอถูกทิ้งไว้คนเดียวและไม่นาน เธอก็เริ่มเกลียดทุกคนทุกอย่างรอบตัวเธอและวันหนึ่งเธออธิษฐานทุกคนที่ร้ายกับฉันจะต้องกลายเป็นน้ำแข็งและเธอก็สร้างปราสาทน้ำแข็งห่างจากผู้คนเธอโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีความรักในชีวิตย่าฆ่าเธอเลยฆ่าความร้ายของเธอดีกว่า รกระจกวิเศษจะช่วยเธอได้ถ้าเธอทำให้ราชินีนึกออกว่าตัวเองเคยเป็นคนแบบไหนเธอก็จะช่วยเคได้เกิด้าไปถึงประสาทราชินีเธอเห็นเคอยู่ที่มุมเขากำลังทำรูปปั้นน้ำแข็ง <irdi> เคฉันดีใจที่ได้เจอเธอจริงๆฉันเองนะเกิด้าจำฉันไม่ได้เหรอเค <Okay> เคมองไปที่เธอแต่ไม่ตอบหลังจากนั้นราชินีหิมะก็ปรากฏเหมือนกับทุกอย่างที่นี่หัวใจของเขาเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเหมือนทุกอย่างไปกกลไกลซะเขาเป็นทาสของฉันแล้วปล่อยเขาไว้ไม่งั้นเธอจะกลายเป็นน้ำแข็งด้วยเค okay. กลับเถอะนะฉันคิดถึงเธอฉันมารับเธอกลับบ้านไปกันเถอะ น้ำตาของเกอด้ากระทบลงบนมือเคความอบ อ, อุ่นของมันทำให้เคค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมและเคก็ฝื้นความทรงจำได้เกอดา้าเออฉันจำเธอได้สิจำได้ทุกอย่างเลยราชินีหิมะโกรธมา ก, มากเธอเอามา้วิเศษเออกมาสาบเกอดา้าเกอด้าเอากระจกวิเศษเออกมาและถือมันรับคำสาบคาสาบหายไป และหลังจากนั้นราชินีก็มองเข้าไปในกระจกของเกดา้าสิ่งที่เธอเห็นก็คือไม่ใช่หน้าของเธอเองเธอเห็นหน้าเด็กเล็กๆคนหนึ่งหลังจากนั้นราชินีหิมะก็กลับเป็นเด็กสาวอีกครั้งขอบคุณนะเคกับเกิดา้าขอบคุณที่เธอไม่ฉันรู้ว่าฉันเคยเป็นใครตอนนี้ฉันเป็นอิสระกับความคิดได้ร้ายแล้วเคกับเกดา้าบอกลาลีลาแล้วก็เดินทางกลับบ้าน